ระไตรปิฎกเล่มที่ส2องจูลหัหติปโทปมาสูตรว่าด้วยอุ ป, ปมาด้วยรอยเท้าช้างสูตรเล็กสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเกตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อชานุสสโสนิออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถคันใหญ่ที่เทียมด้วยลาซึ่งมีเครื่องประดับทุกอย่างล้วนเป็นสีขาวในเวลาเที่ยงวัน ชานุสสโสนิพรามได้เห็นปริพาชกชื่อปิโลติกก์เดินมาแต่ไกลรั้นเห็นแล้วได้กล่าวกับปิโลติกกปริพาชกอย่างนี้ว่านี่แน่ท่านวัาชายนาผู้เจริญมาจากไหนแต่ยังวันแต่ยังวันในที่นี้หมายถึงเวลาช่วงเช้าปิโลติกกปริพาชกตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพรเจ้ามาจากสำนักของพระสมณโคโดมนั่นแหล ท่านวัชยานะเห็นจะเข้าใจความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมว่าพระองค์เป็นบัณฑิตหรือยอย่างไรท่านผู้เจริญก็ข้าพเจ้าเป็นใครเล่าจึงจะรู้ความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมได้แม้ผู้ที่จะรู้ความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมได้ <p> ก็พึงเป็นเช่นพระสมณโคดมโดยแน่แท้ท่านวัชยานะ สันเสริญพระสมณโคโดมด้วยการสรนเสริญอย่างยิ่งข้าพเจ้าจะไม่สรนเสริญพระสมณโคโดมอย่างไรเล่าเพราะพระสมณโคโดมผู้เจริญนั้นไกลๆก็สรนเสริญเยินยอแล้วทีเดียวว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทันวชัยยนตเห็นอำนาจประโยชน์อะไรเล่าจึงเริ่อมใส่อย่างยิ่งในพระสมณโคโดมถึงเพียงนี้ทิโลติกะปริภาชกตอบว่า ท่านผู้เจริญเหตุไฉนข้าพเจ้าจึงเป็นคู่เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระสมณโคดมถึงอย่างนี้พรานช้างผู้ฉลาดจะพึ่งเข้าไปในป่าเป็นที่อยู่ของช้างและเห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างในป่าเป็นที่อยู่ของช้างนั้นเขาตัดสินใจได้ว่าช้างตัวนี้ใหญ่จริงหนอแม้ฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 รอยที่สองข้าพเจ้าเห็นพรามณะบัณฑิตบางพวกรอยที่สข้าพเจ้าเห็นข้าหบดีบัณฑิตบางพวกและรอยที่สข้าพเจ้าเห็นสมณะบัณฑิตบางพวกในโลกนี้บัณฑิตทั้งสี่จำพวกเป็นผู้ละเอียด อ, อ่อนโต้ตอบวาทะของผู้อื่นได้ประหนึ่งยิงขนเนื้อใสายบัณฑิตเหล่านั้นดูเหมือนว่าเที่ยวทำลายจิตทิทั้งหลายของผู้อื่นด้วยปัญญาของตน พอได้สดับมาว่าพระสมณะโคดมจกเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้านหรือนิคมชื่อโน้นก็พากันคิดผูกปัญหาด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วถามปัญหานี้หากพระสมณะโคดมนั้นถูกพวกเราถามแล้วอย่างนี้จะตอบอย่างนี้พวกเราจะย ก, กวาทะอย่างนี้ขึ้นแก่พระองค์วาทะในที่นี้หมายถึงการกล่าวโทษ แม้หาพระสมณโคดมนั้นถูกพวกเราถามแล้วอย่างนี้จกตอบอย่างนี้พวกเราก็จะยกวาทะอย่างนี้ขึ้นถามพระองค์พวกเขาเหล่านั้นได้สดับว่าพระสมณโคดมสเสด็จเที่ยวไปยังหมู่บ้านหรือนิคมชื่อโน้นแล้วก็พากันไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมก็ทรงชี้แจงให้เหล่าบัณฑิตนั้นเห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้าปลอบฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาคติยาบันดิตปรามณบันดิตละคขหบดีบันดิตเหล่านั้นผู้อันประสมณโคดมทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้าปลอบฉโลมใจให้สดใสร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้ว ก็ไม่ถามปัญหากับท่านพระสมณะโคดมอีกเลยลราจกยกวาถาขึ้นแก่พระสมณะโคดมนั้นได้อย่างไรเล่าที่แท้ย่อมพากันยอมเป็นสาวกของพระสมณะโคดมนั่นแหลเป็นสาวกในที่นี้หมายถึงเป็นสาวกด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะส่วนสมณะบัณฑิตเหล่านั้นย่อมพากันทูลขอโอกาสกับพระสมณะโคดมนั้น เพื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระสมณโคดมก็ทรงประทานบรรพชาแก่สมณบัณฑิตเหล่านั้นสมณบัณฑิตเหล่านั้นผู้ได้รับบรรพชาจากพระสมณโคดมในอนาคาริยาวินัยนั้นแล้วหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งปรมจันทร์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 ไม่เป็นอรหันต์เลยก็ปาิญญาว่าเป็นพระอรหันต์บัด น, นี้พวกเราเป็นสมณะแล้วบัด น, นี้พวกเราเป็นพราหมณ์แล้วบัด น, นี้พวกเราเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นรอยทั้งสี่นี้ในพระสมณคโคดมแล้วข้าพเจ้าก็ตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหรันต์ตมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรม เป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วคำว่าพรามมีความหมายหลายอย่างที่รู้จักโดยทั่วไปคือเป็นชื่อของวั น, นหนึ่งหรือเป็นชื่อศาสนาหนึ่งสมณะคือผู้สงบจากอากุศลแต่ในหลายแห่งในพระไตรปิฎก เป็นสำนวนที่มักเรียกติดกันเป็นสมณะพราหมณ์หมายถึงผู้สนใจประพฤติ ธ, ธรรมโดยทั่วไปแม้ลัทธิอื่นมีความหมายหลายนัยยะหลายระดับคำว่าสมณะมักใช้เรียกผู้ออกบวชประพฤติ ธ, ธรรมที่ไม่ได้มาจากวันณะพราหมณ์ในความหมายขั้นสูงทางพระพุทธศาสนาสมณะหมายถึงผู้ลอยบาปได้ชนะความทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายได้ บุคคลเป็นสมณะเพราะสงบจากบาปเป็นพรามเพราะลอยบาปเสียได้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นทั้งสมณะและพรามตามความหมายนี้เพราะทั้งสงบจากบาปและลอยบาปได้แล้วสำหรับศัพท์ในยุคพุทธกาลมีการใช้ความหมายอย่างหนึ่งแต่ต่อมาพระพุทธองค์ทรงใช้เรียกและอธิบายไว้อีกอย่างหนึ่งดังนั้นผู้ศึกษาควรทาความเข้าใจให้ถูกต้อง ยกตัวอย่างคําว่าตถาคตเช่นเดียวกันนะครับเมื่อปิโลติกะปริภาโชคกล่าวอย่างนี้แล้วชานุสโสนิปรามทําผ้าห่มเฉวียงบาข้างหนึ่งประนมมือไปทางทิศที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วเปล่งวาจาสามครั้งว่าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคานี้คือบาลีว่า นโมตสัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัจกล่าวจบแล้วจึงคิดขึ้นว่าทำอย่างไรหนอเราจะได้พบพระสมณคโคดมนั้นสักครั้งหนึ่งทำอย่างไรจึงจะได้สนทนาปราศัยกับพระสมณโคดมบ้างครั้งนั้นชานุสโสนิพราหม์เข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกัน แล้วนั่งนาที่สงควรได้กราบทูลเล่าเรื่องที่สนทนากับปิโลติกาปริพาชกตามที่กล่าวมาแล้วทั้งปวงแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อชานุสโสโสนิพรามกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชานุสโสโสนิพรามว่าพรามด้วยเหตุเพียงเท่านี้ข้อความเปรียบเทียบด้วยรอยเท้าช้างอย่างมีได้บริบูรณ์โดยพิสดารท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดี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 ปราณช้างผู้ฉลาดย่อมไม่ด่วนตัดสินใจว่าช้างตัวนี้ใหญ่จริงหนาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีช้างพังทั้งหลายชื่อว่าวามนิกาที่มีรอยเท้าใหญ่ในป่าเป็นที่อยู่ของช้างรอยเท้านี้จะพึงเป็นรอยเท้าช้างพังเหล่านั้นปราณช้างนั้นตามรอยเท้าช้างนั้นไปเมื่อตามรอยเท้าช้างนั้นไป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 ชื่อว่าปุจจากเนรุ ก, กาที่มีรอยเท้าใหญ่ในป่าเป็นที่อยู่ของช้างรอยเท้านี้จะพึ้นเป็นรอยเท้าช้างพังเหล่านั้นรานช้างนั้นตามรอยเท้าช้างนั้นไปเมื่อตามรอยเท้านั้นไปก็เห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างที่ที่ถูกเสียดสีในที่สูงที่ที่งาแทะขาดในที่สูงและกิ่งไม้หักในที่สูงและเห็นช้างนั้น ที่โคนต้นไม้ที่กลางแจ้งเดินอยู่ยืนอยู่หมอบหรือนอนอยู่เขาจึงตัดสินใจว่าช้างตัวนี้เองเป็นช้างใหญ่ตัวนั้นแม้ฉันใดข้ออุปมาันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นอรหรันตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิ ช, ชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลก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 มีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนขาหาบดีบุตรขาหาบดีหรืออนุชนคนผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมฟังธรรมนั้นครั้นได้ฟังธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตรหนักว่า การอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปรง่งการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะปรับพื่อพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุดสังขัดมีใชจทำได้ง่ายทางที่ดีเรากวนโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นมันประชิดเถิดต่อมาเขาละทิ้งกองภพกสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่ กนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตสิกขาและสาชีพของภิกษุเขาเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพเสมอด้วยภิกษุทั้งหลายศิกขาหมายถึงไตรศิกขาคืออธิศิรศสิกขาอธิจิตติกขาและอธิปัญญาสิกขา แต่ในที่นี้หมายเอาพัิสิรศิขาสาชีพหมายถึงศิขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสำหรับภิกษุผู้อยู่ร่วมกันผู้ดำเนินชีวิตร่วมกันมีความประพฤติเสมอกันเขาเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศิกขาและสาชีพเสมอด้วยภิกษุทั้งหลายคือ 1. ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทันทาวุธและสัตวราวุธมีความลัอายมีความเอ็นดูบุ่งหวังประโยชน์เกือ้อกูลต่อสรรพสัตย์อยู่ 2. ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์รับเอาแต่ของที่เขาให้บุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่3ละพฤติกรรมอันเป็นค่าศึกต่อพระพรหมจันทร์ประพฤติพรพรหมจันทร์ เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านเมทุนธรรมหมายถึงการร่วมประเวณีการร่วมสังวาสกล่าวคือการเสพอสัตธรรมอันเป็นประเวณีของชาวบ้านมีน้ำเป็นที่สุดเป็นกิจที่จะต้องทำในที่ลับ 4. ละเว้นขาดจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตว์ดำรงความสัตว์มีถ้อยคำเป็นหลัก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 พูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรความสามัคคี 6. ละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบคือพูดแต่คำที่ไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเจ็ละเว้นขาดจาัด ก, การพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินยัย พูดคําที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กําหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลา 8. เว้นขาดจัด ก, การปรากพืชจักขามและภูตคามพืชจักขามหมายถึงพันธุ์พืชจําพวกที่ถูกรากจากที่แล้วยังสามารถงอกขึ้นได้อีกภูตคามหมายถึงของเขียวหรือพืชพันธุ์อันเกิดอยู่กับที่มีห้าชนิดคือที่เกิดจากเงาเช่นกระชาย เกิดจากต้นเช่นโพเกิดจากตาเช่นอ้อยเกิดจากยอดเช่นผักชีเกิดจากเมล็ดเช่นข้าว 9. ฉันมือเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจาัด ก, การฉันในเวลาวิกาลฉันในเวลาวิกาลคือเวลาที่ห้ามไว้เฉพาะแต่ละเรื่องเวลาวิกาลในที่นี้หมายถึงผิดเวลาที่กําหนดไว้คือตั้งแต่หลังเที่ยงวัน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 13. เว้นขาจัด ก, การรับทองและเงิน 14. เว้นขาดจัด ก, การรับธัญญาหารดิบธัญญาหารดิบในที่นี้หมายถึงธั ญ, ญชาติเจดชนิดคือข้าวสาลีข้าวเปลือกข้าวเหนียวข้าวละมานข้าวแป้งลูกเดือยและยากลับแก่ 15. เว้นขาดจัด ก, การรับเนื้อดิบ16 เว้นขาดจัด ก, การรับสตรีและกุมารี17เว้นขาดจัด ก, การรับทาตหญิงและ่าชาย 18. เว้นขาดจัด ก, การรับแพะและแกะ19เว้นขาดจัด ก, การรับไก่และสุกร20เว้นขาดจัด ก, การรับช้างโคม้าและลา21เว้นขาดจัด ก, การรับเลือกสวนไร่นาและที่ดิน 22เว้นขาดจัด ก, การรับทําหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร23เว้นขาดจัด ก, การซื้อการขาย24เว้นขาดจัด ก, การโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัด25เว้นขาดจัด ก, การรับสินบนการล่อลวงและการตลกตะแงยีสิบหกเว้นขาดจัด ก, การตัดอวัยวะ การฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการผู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบินทบาดพออิ่มท้องเธอไปณที่ใดใดก็ไปได้ทันทีลกมีปีกจะบินไปณที่ใดใดก็มีต่ปีกของมันเป็นภาระบินไปภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยะศีลขันธ์นี้แล้ว ย่อมสวยสุขอันไม่มีโทษภายในภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมจกักขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออาภิชาความเพ่งแรงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นและโทมนัตความทุกข์ใจครอบงำได้ จึงรักษาจากักขุนสีถึงความสำรวมในจกักขุนศีฟังเสียงทางหูดมงกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลตภะทางกายรู้แจ้งธรรมรมทางใจและไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมมนินรีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลคืออภิชาและโทมนัสครอบงาได้จึงรักษามนินรี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 การถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยอริยาสีลขันอริยาสันโดษอริยอินรียสังวรและอริยาสติสัมปัชชะญะนี้แล้วพักอยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขา ทมป่าช้าป่าทึบที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัตนาหารเสร็จแล้วนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าภิกษุนั้นละอภิชาในโลกมีใจปราศจากอาภิชาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอาภิชาละพยาบาทละความมุ่งร้ายมีจิตไม่พยาบาท บุ่งประโยชน์เพื่อกูลสพัพพสัตต์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากพยาบาทและความมุ่งร้ายลาธีณมิทะความหดหู่และเสื่อมซึมเป็นผู้ปราศจากธีณมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธีณมิทธะลาอุทธะจากกุกุจักความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจได้แล้ว เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบในภายในชํราระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธจักกุก จ, จกักละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข่าวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชํราระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาภิกษุกนั้นละนิวรณ์หประการนี้ซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตและเป็นเหตุทําปัญญาให้อ่อนกําลังได้แล้ว สงัดจักการและอกุสุลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ข้อนี้เราเรียกว่าตถาคตะประทางบ้างตถาคตะอิเสวิตังบ้างตถาคตารันชิตังบ้างตถาคตะประทางหรือตถาคตบทหมายถึงทางแห่งยาณหรือร่องรอยแห่งยาณของพระตถาคต ได้แก่ฐานที่ยานเหยียบแล้วกล่าวคือยานทั้งหลายมีปฐมยานเป็นต้นเป็นพื้นฐานแห่งยานชั้นสูงสูงขึ้นไปของพระตถาคตตถาคตะนิเสวิตังหรือตถาคตนิเสวิตะหมายถึงฐานที่ซีโครงหรือยานของพระตถาคตเสียดสีแล้วและตะถาคตารันชิตังหรือตถาคตรันชิตะ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 พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอีกประการหนึ่งเพราะละสุขละทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุตถะฌานที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่อริยาสาวกก็ยังไม่ด่วนตัดสินใจว่า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 ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุดตูปปาตยานเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดรู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แล้วอริยาสาวกก็ยังไม่ด่วนตัดสินใจว่าพระผู้มีพระภาเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์บุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนหมกแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวัขยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก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 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็น <starters> ผู <Mercy> ้ปฏิบัติดีแล้วเมื่อภิกษุนั้นรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามสวะพระวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบรมอจาร์แล้วทมกิจที่กวรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่น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 เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วด้วยเหตุเพียงเท่านี้ข้อความเปรียบเทียบด้วยรอยเท้าช้างเป็นอันบริบูรณ์โดยพิสดานแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ชานุสสโสนิพราหม์ได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิทธขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นสระณะสูงสุดตลอดชีวิต จบจุลหัตถิปโทรปรมาสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสอง